ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยลาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอธรรมธายาสูตรมาถึงช่วงสุดท้ายเป็นองค์ธรรมที่พระสารีบุตรเทระได้อธิบายขยายความออกไป ก็หมายความว่าพูดง่ายๆว่าปริยมรรคมีองค์แปดประการนั้นเป็นหลักการวิธีการปฏิบัติการที่ทำให้คนเป็นธรรมทายาทพวกกิเลสทั้งหลายจะตามปกติแล้วเราจะเจอสิบสี่บ้างสิบห้าบ้างสิบหกบ้าง ยัางในหนังสือนกกว่าดน้นจะรวบรวมไว้สิบกข้อแล้วก็มีในที่ต่างๆลดหล่นแตกต่างกันอย่างนี้ถามว่าทำไมองค์ธรรมจริงไม่เท่ากันก็เพราะว่าองค์ธรรมเหล่านี้มันกระจายออกไปจากอวิชชา แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นโลกโปรดลงผมจะมีมากสัเท่าไหร่ก็ตามเอาก็จริงแล้วก็คือลักษณะอย่างหนึ่งของโลกโปรดลงนั่นเองจะยกตัวอย่างไวริษยาฤิษยานั้นมันมีปัจจัยหลักอยู่สามประการประการแรกก็คือคนที่เราฤิษยา ประการที่สองก็คือสิ่งที่คนซึ่งเราลิสยาได้ครอบครองประการที่สก็คือพื้นฐานทางความคิดจิตใจของเราที่มีต่อการได้สิ่งที่ดีงามของบุคคลอื่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าคนนั้นเรารัก แล้วเขาได้ในสิ่งที่เราเองก็ชอบเขาก็ชอบเราจะไม่รู้สึกริษยาอาจจะมุทิตาหรืออาจจะเป็นอุนยะคือขอมีส่วนแบ่งเช่นว่าเพื่อนได้รับรางวัลมาได้ขึ้นเงินเดือนมาหรือว่าฉลองวันเกิดวันแต่งงานอะไรต่อไรเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่คนสึกโรชอบได้ในสิ่งที่เขาพอใจเราก็เข้าร่วมกินเลี้ยงแล้วก็อาจจะมีของขวัญอะไรมาให้แต่ในขณะเดียวกันถ้าว่าคนผู้นั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบมันดูแล้วก็ขวางหูขวางตาไปหมด การได้การมีการเป็นในสิ่งที่ดีงามของเขานั้นเราจะรู้สึกวริสยาในการได้ของเขาแต่ถ้าเราถามลึกๆว่าทำไมจึงริษยาล่ะก็ตอบได้ว่าเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิเราจึงไม่เห็นคนริสยาคนพิการริษยาคนโ ร, โรคเรื้อน ริศยานักโทษราหานริศยานักโทษในคุบริศยาคโอทานเป็นเนี่ยจะไม่ริศยาเราจะลิศยาในกรณีที่เขาได้ดี่าาทําไ้เราทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็เป็นอาการของโลภะแต่ที่เราคิดเช่นนั้นมันเป็นอาการของโมหะคือไม่มีเหตุผลมันเป็นเรื่องที่ เขาทำเหตุดีเขาก็ได้ในสิ่งที่ดีพราะถ้าเหตุไม่ดีเขาก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดีแต่เราต้องการได้อย่างที่เขาได้เราก็ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามากระทาความเพี่ยนพยายามด้วยตัวเองแล้วในที่สุดก็จะได้อาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะเท่าเทียมกัน แต่สรุปว่ามันเกิดจากความเพียรพยายามเป็นสมาวายมะถ้าถามว่าเราชอบสิ่งนั้นไหมเราก็บอกว่าชอบแต่ว่าเมื่อชอบแล้วเราใช้ความพยายามแสวงหาจนได้มาถือครองครอบครอ ง, รองสิ่งเหล่านั้นวันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของอุปกิเลส ทิเะเทระยกเอาเฉพาะโลภะกระทุษะมาเป็นตัวตั้งในตอนต้นแล้วก็ยกอริยมรรต์มาเป็นหลักที่จะขจัดความโลภและความประทุษร้ายออกไปจา ก, กจิตใจทีนี้ถ้าหากว่าทำได้ก็จะก่อให้เกิดดวงตาให้เกิดญาณจิตใจจะมีความสงบ มีความรู้สูงขึ้นจนถึงศาสรูแล้วเข้าสู่นิพพานจากนั้นพระเทระก็แสดงถึงกลุ่มของโลภะโทสะโมหะนั่นแหละแต่ว่าในพระสูตรท่านยกมาเฉพาะโลภะกัตโทสะเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่สังเกตได้ง่ายที่เราเรียกโดยทั่วไปว่ายินดียินร้าย การสำรวจระว่างอินทรีย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็คือสำรวจไม่ให้เกิดยินดียินร้ายพระ้ายินดีกิเลสสายราคากะกัลโลพาเขาเพิ่มขึ้นแต่ยินร้ายกิเลสสายโทสกักเพิ่ขึ้นเพิ่มขึ้ น, นซึ่งก็หมายความว่าสายของโมหะก็เพิ่มตามไปถ้าลดก็ลดตามไปถ้าเพิ่มก็เพิ่มตามไป เียงแต่ว่าสายโมหะก็เป็นรากงาวของสัพพิเพิเรสการลดของเขาจนหมดสิ้นไปจึงเกิดขึ้นหลังสุขหลังจากพวกราคะโลภะโทสะมันได้ถูกลับไปก่อนอย่าเราดูที่ ระยะบุคคลเราจะพบ ว, ว่าพระโสะดาบานนั้นก็ละในส่วนของโมหะไปก่อนพระสักตากรรมีก็เพิ่มราคาโทสะโมหะให้จางลงไปพอมาถึงพระนาคาก็ไปละที่กามราคะกับปฏิฆะก็คือโลภะกัตถะและคนที่ละได้หมดเนี่ยก็คือพระอาหารหันต์ ก็เป็นการขัดเกลาจิตใจไปโดยลำดับแล้วก็ท่งท่านท่านแสดงให้เห็นว่าความโกรธความผูกโกรธเป็นธรรมลามกความบรบหลูการตีเสมอเป็นธรรมลามกความริษยาและความสนีเป็นธรรมลามกมายาและโอ้อวดเป็นธรรมลามกความหัวดื้อและแข็งดีเป็นธรรมลามก การถือตัวและดูหมิน่นดูหมิ่นคนอื่นนะเป็นธรรมะลามกการถือตัวก็อาจจะถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราอาจจะเรวกว่าเขาโือการถือตัวในลักษณะนี้มันก็ส่วนหนึ่งก็คือ ไปดูมินคนอื่นในมุมในมุมเดิมในในมุมอื่นแล้วก็เข้าใจว่าเราเราเลิศ ก, กว่าเขาในด้านต่างๆเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมานะก็แสดงไว้โดยเอาสถานภาพของเราเนี่เป็นตัวตั้งจนเราอาจจะเลิศ ก, กว่าเขาในกรณีดใดกรณีหนึ่ง แล้วก็ไปเมารวมไปเลยว่าเราเลิกว่าเขาในทุกๆด้านก็คิดว่าเราเลิกว่าเขาเราเสมอเขาวเราเลวกว่เขาก็ได้หรือบางทีเราเสมอเขาสักจุดหนึ่งหรือสองจุดหรือสามจุดก็ช่างเถอะแต่ก็ไปคิดว่าเราเลิก่ากเขาเราเสมอเขาหรือเราเลี้ยวกับเขาบางทีเราเลี้ยวกาบเขานั่นแหละ แต่ก็ไม่ใช่ทุกจุดหรอกประจุดได้จุดหนึ่งแต่ก็กลายเป็นปมด้อยในจุดเหลนั้นแลวก็ไปคิดว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสเสือเขาหรือเร็วกว่าเขานี่เขาเรียกว่าเป็นความถือตัวและเสร็จแล้วก็จะดูหมินคนอื่นดูหมินโดยรูปร่างหน้าตาโดยผิวพรรณโดยฐานะ ท, ทางทรัพย์สินโดยวิชาความรู้โดยชั้นยศตํำแหน่ง โดยโด้วยหน้าที่การงานอะไร ต, ไต่างๆเอามาได้นะฮะดูบินได้กันสารพัดเรื่องเลยแต่บทสุดท้ายจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายสังคมคนประเภทนี้ก็คับแคบอยู่ยากอย่างบ้านเราเนี่ยเราลองสังเกตว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ยกบ้านเรามันไปเห็นได้จัด อย่างในกรณีของคนที่ถ้าเราดูแถวสงครามโลกครั้งที่สองแล้วหลังสงครามโลกมาหลายปีนะฮะเราก็มีความรู้สึกดูถูกดูหมินแบ่งแยกเพราะว่าเรารวมกันไม่นานรวมกันอย่างในปัจจุบันเนี่ยรวมกันไม่นานก็ประมาณร้อยกว่าปีแต่นั้นเอง เราก็รู้สึกดูหมิน่นคนปากใต้คนภะศรีฐานคงภาคเหนือคนภาคกลางนะฮะจะรู้สึกดูหมิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเมืองหลวงคนพิสานก็มองเป็นแกว้วคนไม่ใช่คนเหนือก็มองเป็นแกว้วคนอิศานก็มองเป็นลาวคนปากใต้ก็มองเป็นแขกไป แล้วก็ดูมินกันด้วยอะไรอย่างเช่เรียกว่าสตอสามัคคีพวกปราราพวกอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมากมายกันก่นทุกวันเองก็ยังมีอาการอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมากอะไรในขณะที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะแล้วการรู้สึกเป็นเราเป็นเขาจนถึงดูถูกรูมินกันเนี่ย หรือแม้แต่เราดูุมินด้วยสีสีเสื้อสีเครื่องนุ่งมหม่มถึงมมนไม่เกี่ยวอะไรผ้ามันก็คือผ้าแต่ว่าการวินิจฉัยความดีความชั่วของคนนั้นอยู่ที่การกระทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนจะเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุล เป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาสกุลแต่คนจะเป็นคนดีก็เพราะการกระทาเป็นคนเลวก็เพราะการกระทาแต่ที่เราจะใชาความประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลเป็นมาเป็นวัดมันก็องค์ประกอบอื่นๆดมาเช่นบางทีไปพูดว่าราษฎรนี่โง่อยู่นี่มันล้าสมัยนะฮะเดอกการพูดว่าราษฎรโง่นี่ล้าสมัยนะ เพราะจริงๆราษฎรเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเราเอาข้อออกโทรทัศน์ก็ได้วิทยุก็ได้ให้แสดงความคิดเห็นก็ได้ภาษีตาสาใหญ่มาใหญ่มีแท็กซี่กรรมกรเอาฝั่งเขาฝังา่งเขาพูดลแล้วเราจะเห็นว่าเขาเจริญก้าวหน้าลำหน้าคนที่มีการศึกษาแต่ว่ายึดติดในฐานะตำแหน่งของตัวเอง บางจุดนี่เป็นเอามากทีเดียวนั้นก็แสดงว่าทั้งสองจุดแหละไม่ใช่จุดแข็งแต่ที่จริงมันเป็นจุดอ่อนทั้งการถือตัวทั้งการดูหมิ่นคนอื่นนั้นเป็นจุดอ่อนก็พยายามปลุกปลอบตัวเองทํานองคล้ายๆกับคนอะไรละ่ะเดินไปในที่มืดลึกๆ ก, ก็กลัวผีหลอก ก็พยายามส่งเสียงดังไปเงี้ยเด็แล้วที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือสร้างสังคมที่แตกแยกเปลี่ยนเปียนกันแม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไกลาการเมืองอย่างไรรู้สึกประกวดร้องเพลงอะไรที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งอะไรไม่รู้เป็นสมัครเข้ามาได้ตรงนั้นด้วย แล้วก็ไม่ได้ออกโชว์ตัวประโกฏว่าคนเป็นสองฝ่ายที่เราเห็นได้ชัดเลยฝ่ายหนึ่งก็เฉียบฝ่ายหนึ่งก็ขอร้องให้ขับออกไปไม่ใช่เรื่องอะไรคนตัวอะไรเรื่องเลยนแต่ว่ามันมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เกิดอาการเครียดแค้น จ, จิงชัง ฝ่ายที่ไม่ใช่ของเราแล้วเกิดจะกีดกันด้วยแล้วก็โอบอุ้มด้วยคนที่เรารู้สึกอ่เป็นพวกของเราความคิดมันเปลี่ยนไปเยอะนี่ก็คืออาการที่มันมีมาตั้งแต่โบราณนะ น, นะผู้อุปนิเลยเนี่ยเขาก็มีมาตั้งแต่โบราณนย่นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ดุกรอภิกษุทั้งหลายจิตนี้โดยธรรมชาติแล้วประพัดสอนคือเรืองแสงแต่ว่าจิตนี้เศาหมองไปเพราะอุปกิเลส ท, ที่จอนมาก็ปรุงจิตจิตมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็ถูกปรุงแต่งด้วยอุปกิเล์ความเกิดโกรธก็ความความโกรธเกิดขึ้นมาก็ทําให้จิตโกรธความโลภเกิดขึ้นมาก็ทําให้จิตโลภความริษยาเกิดขึ้นที่จิตก็ทําให้จิตริษยาเป็นต้น จิตมันไม่ใช่ตัวริศยาหรอกแต่ว่ากิเลสนั้นๆน่ะมีชื่อนั้นๆน่ยเข้ามาปรุงจิตอาจจะเรียกว่าเข้ามาสิงจิตได้ก็ได้โดยทั่ทไปแล้วก็ทำให้จิตเป็นอย่างที่เขาเป็นปรักษณ ะ, ะของธรรมานั้นก็คือเราจะเป็นอย่างที่เขาเป็น แล้วก็ทำคนจิตคนที่เกี่ยวข้องกับเขาวให้เป็นอย่างที่เขาเป็นด้วยเพราะจิตมันเป็นกายวิจาก็เปลี่ยนตามไปก็กลายเป็นสุจริตสุจริตซึ่งเป็นพฤติกรรมประจำวันในชีวิตของมนุษย์เราประการต่อไปก็คือ ความถือตัวและความดูหมิน่นความเมาและความเลือเลิกความเมาในที่นี้เพราะท่านเน้นไปที่การเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรสเมาในโลกโลกวัตถุนะฮะพูดง่ายว่าโลกวัตถุน ะ, ะ, ลกกน ะ, ะแล้ ว, วจะเมาในตัวเอง ในฐานะในตําแหน่งในชั้นยศในรายรอะไต่างๆก็พเลื่อเล่นั้นเป็นอาการของผเผรอหลงลืมขาดสติไม่รู้จักกำกับควบคุมตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็สรุปว่าแต่ พาิมาปฏิปทาเพื่อล้ากความเมาและความเลื่อนเลิ่อมีอยู่เป็นธรรมทำให้เกิดดวงตายานความสงบความรู้ยิ่งความสัจทะรู้และกน็นิพพานตุกข์ปิสุกทั้งหลายมัธิมาปฏิปทานั้นเป็นธรรมทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อสัตยรู้และเพื่อนิพพานคืออะไรแล้วก็เรียงอริมักเปองค์แปประการทั้งหมดมาจากสมาธิจิจนถึงสมาสมาธิแล่วจากนั้นก็พูดถึงผลซึ่งท่านฟังจะเห็นว่าองค์ธรรมที่ปรากฏชัดเจนเนี่ยก็คืออริมักก็คืออริมักเป็อค์แ8ประการ พอพปกิเล็ก็คือสมุทัยสัจดวงตาญาณความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับเนี่ยมันเป็นสายของนิโรธแต่ว่าตัวที่เป็นนิโรธจริงๆเนี่ยก็คือตัวนิพพานแต่ก็อยู่ในกระบวนการเดียวนะฮะถึงหมายความว่า ดวงตาเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากผลรวมของความผนึกเข้าไปเนื้อเดียวกันของอริมาร์เปงแปดประการทีนี้มันก็มีประเด็นที่เรียกว่าอรตรกถาอธิบายก็จะยกมาเพียงสองประเด็นสองสามประเด็นนะครับเพราะว่าถ้านำอธิบายไว้ยาวมากประเด็นแรกก็คือว่า ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องส่งประรบเรื่องเป็นธรรมทายาทเขาเรียกว่าเกิดขึ้นในอยจฉริยสัยของปรุงเองรัสั่งเรียกพิสูุ์มาแล้วคอยย้ำเตือนว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาอย่าให้เป็นอามิสทายาทเลยตถาคตเอ็นดูพวกเธอทั้งหลาย จึงกล่าวว่าให้เธอทั้งหลายเป็นธรรมทาย า, าตอย่าได้เป็นอามิสธายาตเลยถ้าหากว่าพวกเธอเป็นอามิสธายาตพวกเธอเองก็จะถูกตีเตียนแล้วเราตถาคตเองก็จะถูกตีเตียนจากวิญยูชนแล้วเธอเองก็จะปฏิบัติทางเขินออกไปจากหลักธรรมคือมาความว่าเป็นเรื่องเสียหายทั้งนั้น อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยชื่อเสียงเกียรติคุณพระพุทธเจ้าแพ่ไปรวดเร็วมาก ท, า ท, าทั้งๆที่ทรงเผยแผ่พระาศาสนาในช่วงแรกเนี่ยลำพังโปรง่งก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนปก็ทรงเผยแผ่โดยลําพังโปรง่งก็ดีตัวเจ็ดเดือนเนี่ยนะ เพราะว่ามาถึงเรือนมาข่าบูชาพอดีจากนั้นก็สุกพวกกลุ่มปุราณนดินพวกกลุ่มพระสารีบุตรมกุฏาณาเผยเผยแผ่แล้วแต่ว่าก่อน น, นั้นก็ส่งไปแล้วหกสิบกุพระบงเผยแผ่ศาสนาแผ่ไปใน ในกรุงสาวัตถีไม่ใช่ในกรุงพารณสีซึ่งก็เป็นแคว้นกาศีแล้วก็ได้พระอาหารหันเกิดขึ้นที่เบืองพารณสีนั้นก็มีทั้งหมดก็ช่วงแรกนะห้าสิบรูปเออไม่ใช่หกสิบรูปก็คือกลุ่มพระปัญวคีห้ากลุ่มพระยศะ ห้าสิบารวมแล้วก็หกสิบพระองค์ก็เริ่มส่งท่านเหล่านั้นไปเผยแผ่ศาสนาแต่ว่าท่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็กลับมานำลุกสิษ์มามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อไรเนี่ยก็แยกไม่ค่อยออกเพราะว่าช่วงตรงนี้มันจะเดินเรื่องที่พาอของพระพุทธเจ้าก็ไปพบกับ ผูที่ขวดแก่การโปรดแล้วขณะที่อยู่ที่สาวัถีนั่นเองอิสิปตนะนั่นเน็จไม่ใช่อยู่พาราณสีนั่นเด็กจะอยู่ที่อิสิปตนะมริกษายวันนั่นเ็กก็ได้โปรดพัทวัิคีสามสิบท่านในช่วงนั้นก็เกิดพระอริยบุคคลขึ้นมาเก้าสิบท่าน ต่อจากนั้นก็สเสด็จออกจากสาวัตจากพารณสีไปโปรดไปทรมานพวกฉดินปุราณฉดินก็ตรงนี้คงกินเวลาเพราะว่าต้องแสดงปาฏิหารก็เรียกว่ า, านานาปฏิหารถึงสา0พันห้าร้อยปาฏิหารก็ถือว่าแสดงปฏิหารมากที่สุด เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังหนุ่มพวกโบราณฉ ด, ดินนั้นก็เรียกว่าหนวดงอกแล้วถ้ามาแสดงความเหลือกว่าโดดเด่นกว่าในแต่ละด้านหรือว่าในทุกๆด้านเนี่ยโอกาสที่โุราณฉ ด, ดินฉ ด, ดินแต่ก่อนนะฮะคือหมายความมาแต่ก่อนในท่านเป็นฉ ด, ดินเขาเรียกตอนหลังตอนที่ทันเป็นพระแล้วว่าภิกษุอดีตโุราณฉ ด, ดิน แล้วในที่สุดก็กำลาพวกนั้นได้ก็ทรงโปรดเฉพาะคนพี่จึงมีบริวารห้าร้อยแต่น้องสองคนเนี่ยก็ปรึกษากับพี่แล้วในที่สุดก็ยอมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา วิธีการทรงนี้ทรงใช่นะทรงใช้มาตั้งแต่พวกพระยาศานะคือพระยาศารูปเดียวกับพ่อกับครอบครัวเรานเองที่พระพุทธเจ้าเสด็จจนข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่สหายฆาติภาคคนเนี่ยรู้ข่าวยระยะบวชแล้วเกิดสนใจว่าธรรมนัยที่คนอย่างยาศาสละเข้าไปบวชแต่ไม่ใช่ธรรมดา ก็เลยมาพบยศขอให้พระยศนี้นำเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ส่งแสดงธรรมแต่เราจะเห็นว่าพระสาวกก็เริ่มช่วยขนาดนี้ยคือไม่ถึงก็ช่วยไปเทศไปสอนอะไรยกเวนเ้นแต่ท่านที่ถูกส่งไปเผยแผ่ศาสนาซึ่งก็เกิดขึ้นในตอนหลังเสร็จแล้วก็ได้บุราณชดินมาหนึ่งพัน ก็ต้องลงว่าในช่วงตัวนั้นน่ก็ได้สาวกมาหนึ่งพันกับเก้าสิบแนั้นก็เสด็จเข้าไปสู่กรุงราชครึสทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนข้าราชการผอคาวานิต่างๆสรุปรวมแล้วก็หนึ่งแสนสองหมื่นคน ปุณณีบรรลุมรคผลเป็นพระรยาบุคคลระดับโซดาบันเป็นหลักครับก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนแล้วประกาศตนถึงพระไตรสนาคมอีกหนึ่งหมื่นก็รวมแล้วก็มื่อสองแสนสองต่อมาก็ได้พระสาริบุตรพระโมคคัลลานะอีกสองสองรอยห้าสิบตอนนี้เวลาเจ็ดเดือนนะครับ ที่ทรงแสดงกวัตวปัติโมกนั้นก็เปลนเดือนสามพระองค์สัสรุเพลินเดือนหกเป็นเดือนกก็ยังประทับสมบวรมมุติสุขอยู่อีกตั้งสองเดือนพอเราก็จริงที่จริงก็ห้าเดือนทำงานอยู่เพียงห้าเดือนเแต่ว่าประสบความสำเร็จขนาดนั้นที่แสดงให้เห็นถึงว่า พระเกยติคุณของพระองค์มันก็เล่าจากปากสู่ปากต่อปากเล่าแพร่หลายกระจายออกไปคนส่วนมากเนี่ยเดินทางเอมาเฝ้าข่าวลือไปว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็มีการสันเริญพระพุทธเจ้าตามนันยยะพระพุทธคุณที่เราสวนนี่แหละอิติปิโสภะกวนนี่แหละ แต่ว่าอธิบายขยายความออกไปโดยพิสดารคนก็ตื่นเต้นก็มอกเฝ้ากันฟังธรรมจากพระองแล้วคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีประมากษัตริย์พรหมมหาสารคือพวกรวยๆอ่ะพวกแงพวกรวยๆแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมใหญ่โตทท่านั้น เวลามาควาพระพุทธเจ้าก็ขนสเบียงอาหารอะไรอะไรมาเยอะเป็นห้าร้อยเล่มเกวียนแต่นึกดูยังจิตตะคิดแตดีนี่มาตั้งห้าร้อยเล่มเกวียนอ่ารยเล่มเกวียนไม่ใช่เล่นนะฮะขบวนไปยาวเหยียดติดเดบางทีนี่มาจ่อคิวรอคอยกันว่าปรากดมารอบทิศทาง มาจอดรอคอยเพื่อจะเข้าเฝ้าแล้วก็ถาวายสเสบียงต่างๆที่เตรียมมาเพราพระพุทธเจ้าจึงสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะยยเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ถึงภาษาโวกและคือเขาําถือศาสดาสาวกพวกภิกษุก็สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะก็ทําให้พระพุทธเจ้าทรงปริวิตกว่า เราไม่สามารถจะห้ามนม้ภิกษุไปยินดีในปัจเจี่ได้เพราะว่าปัจเจี่มันเป็นปัจจจยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตพระหันก็ประหรันเถอะถ้าไม่มีปัจเจสีก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าทำยังไงจึงจะให้พระรู้สึกคือไม่โลภอยากได้ จนเกินความจําเป็นที่ตัวเองต้องการในรูปของพระวินัยก็ทรงบัญญัติไปเยอะนะฮะเช่นว่ามีคนไปเวลาไปบินทบาตประชาชนเข้ามาตักบาทกันมากเนะี่ยรัฐจะรับได้ไม่เกินสามบาทแต่ถ้าใครรับเกินสามบาทไม่ใช่เอาฉันเองนะฮะส่วนหนึ่งต้องเอามาแบ่งให้เพื่อนที่ไม่ได้ออกไปบินธบาต เพื่อไม่ให้เพื่อนต้องไปรับอีกพอจะรับมามากว่าจะเหลือแต่นี้มันก็เกิดความคลี่คลายขยายตัวของสังคมไปเองคือในการต่อมานั้นมีคนยากไร้ก็เรียกคนกินเดนบางทีมันติดตามพระพุทธเจ้าไปเป็นขบวนนะคเป็นเป็นร้อยๆตาไ่ขออาหารที่เหลือฉันของพระ นปัญหานี้มันก็ถูกแก้ไปเปราะหนึ่งแต่ก็สร้างปัญหาให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคอยอาศัยภิกษุโดยไม่ช่วยเหลือตัวเองเพราะในที่สุดก็ทรงประรกว่าก็ต้องกระตุ้นเตือนสำนึกไม่ให้พระไปหนักไปในทางอามิสตาญาต์ือไม่หนักไปทางรู ป, ปรวัตถุทั้งหลาย แล้วจริงในแง่วินัยเนี่ยจะกํากับกํากับไว้เยอะเลยกำกับไว้เยอะยัางศีลศีลตั้งแต่ข้อวิกาจนถึงศาตรูนะฮะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของของของสามเณรเนี่ยพวกนี้อยู่ในพระทั้งหมดนั่นแหละศีลสิบเนี่ยศีล ส, สิบนี่ยอยู่ในพระทั้งหมดที่เราเรียกว่าศีลบรูสุสดมันก็ ลดสมับชาวบ้านไปข้อหนึ่งคือจะต้องเงินและทองชาวบ้านก็ต้องมีเงินมีทองแต่ว่าสามเณ็ขึ้นไปเนี่ยก็ลดงดเวน้นการงดเว้นในเรื่องเหล่านี้ที่จริงถ้าหากว่าทำได้มันก็ไม่มีตัวกระตุ้นกิเลสตัดกระแสของตัณหาออกไปจากใจ แล้วก็ในขณะเดียวกันวินัยก็เรียกว่าวัดก็ดีเรียกว่าอาภิสมาจารย์ก็ดีเรียกว่าวินัยเองก็ดีก็จะพยายามบรรเทาความโลภจนถึงกับในกุฏิของพระเนี่ยไม่เก็บอาหารไว้ที่กุฏิอันเป็นห้องที่อยู่ของตัวเองนะฮะ และในกรณีที่ชาวบ้านเ็าแห่มาถวายกันมากก่อนที่จริงก็ไปแจกจ่ายนั่นแหละก็กำหนดให้มีเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บอาหารก็หมายความว่ากับิยักุติ กะระยะปกตินั้นเก็บอาหารได้แต่ว่าไม่มีพระอยู่เยรามีคนดูแลแต่ว่าไม่มีพระอยู่เราก็จะการแจกจ่ายไปแก่ภิกษุสามเณรบางทีก็จนถึงชาวบ้านก็ทั้งหมดก็เป็นวิธีการในการป้องกันแต่ว่าสำนึกเนี่ยสำคัญกว่า จำนึกเห็นโทษของการเป็นอามิส h a y a t เห็นคุณของการเป็นธรรมทายาทเพราจึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งชี้โทษชี้โทษของการเป็นอามิส h a y a t แล้วก็คุณของการเป็นธรรมทายาก็หมายความว่า แต่เราเริ่มต้นที่อมิตรายาตกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากริงๆมันก็ดึงปัญหาก็หาตัวเองแต่ถ้าเราอยู่ที่หลักของธรรมัตายากิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่เกิดแล้วก็จะจางคลายลงไปลดละลงไปนี่ก็คือเหตุนะเหตทุที่ให้พระพุทธเจ้าทรงแสดง ทีนี้ปัญหาถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่อธิบายคือการไม่อธิบายเนี่ยเหตุผลก็มีสองประการหนึ่งคือ ก, อการยกย่องบุคคลสองก็คือตัวการยกย่องพระธรรมเพราะว่าในขณะที่พระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมเนพระสารีบุตรก็นั่งฟังอยู่ยก็ทรงต้องการจะยกย่องพระสารีบุตร ให้เป็นที่ยึดเดียวในด้านจิตใจของภิกษุทั้งหลายเพราะทรงรู้ว่าเมื่อไปถามภาษาริบุตรราษาริบุตรจะตอบอย่างที่พระองค์ตอบเพระาะภาษาดิบุตรท่านเป็นพระหันและก็มีปัญญามากกรรองมาจากพระพุทธเจ้าที่เดียวแล้วก็เสร็จแล้วภิกษุเหล่านั้นก็คงยังปรงใจไม่ค่อยได้หรอกและในสุดก็จะมาถามพระองค์ พระองค์ก็จะตีสารับรองให้เท่านั้นเองปฏิสาริบุตรรับรองนี่ถูกต้องแล้วอา ต, ตถาโคอธิบายเองก็จะอธิบายอย่างนั้นเหมือนกันเพรา ะ, ะมันกระจายศรัทธาเลือเเล่อมใสออกไปกระจายศรัทธาเลื่อมใสออกไปทีนี้ความคิดในแนวนี้เราจะพบหลักอย่างเดิน ก็คงจะกแก้ไขายากนะคืออย่างสมมติว่าวัดที่มีพระอาจารย์ดังๆเนี่ยมันก็ดังอยู่องค์เดียวเท่านี้อะไรก็องค์นั้นอะไรก็องคนั้นสมัยหลวงปู่แหวนก็คือหลวงปู่แหวนเท่านั้นเองอย่างในปัจจุบันอาจารย์คูนก็อาจารย์คูนรูปเดียวเท่านั้นเองแต่นี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของสังคม หมายความว่าตัวสังคมเองไปมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยพระเองส่วนใหญ่ก็คงไม่ไปหรอกแต่ว่าส่วนที่ไปก็มีเจ้ที่เราเห็นปัญหาในคณะสงฆ์เนี่ยคณะสงฆ์คือศาสนาทุกศาสนาหนะมายความมาพูดนำนั้นจะแก่ลงแก่ลงแก่ลงแล้วแก่ออกมา ก, มาก แล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมหยุดคือไม่ยอมกระจายงานให้ออกไปอย่างในนิกายมาหายานยังเคยอ่านหนังสือหนังสือจีนนะฮะเราก็พบว่าเออเขามีอาจารย์ปู่อาจารย์อาอาจารย์ลุงสมภารนั้นเป็นรุ่นที่สามนะสมภารเป็นคนหนุ่มๆทำงาน อาจารย์ปู่ก็ดีอาจารย์ตาก็ดีอาจารย์ลุงก็ดีอาจารย์อาก็ดีก็เป็นพระเถระที่อยู่ข้างหลังเบื้องหลังสมภารจะทําอะไรก็ไปปรึกษากับท่านผู้เฒ่าเหล่านั้นแล้วก็ท่านก็ชี้แจงแนะนํำยังไงก็นําไปประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าแทนที่จะเอาคนแก่มาทํางานเนี่ยเอาคนแก่ไว้สักการะบูชา แล้วก็ใช้ประโยชน์จากท่านเพราะท่านเป็นจุดยึดเหนี่ยวจุดยึดเหนี่ยววัดเนี่ยมันก็อยู่ที่สมพานนะนะมายความมาถ้าสมพานสามารถเป็นจุดยึดเหนี่ยวได้มันก็ดึงดูดคนเข้าวัดได้แต่ที่เราไม่ก็ได้คิดก็คือสมพานก็ตายเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้สมพานตายซะก่อนแล้วก็ค่อย คัดเลือกสอัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาโอ่งงานมันไม่คุ้นกับชาวบ้านนะ่แต่ถ้าเราใช้วิธีอย่างในปัจจุบันเะนี่ยอย่างคณะสงฆ์ในปัจจุบันะเนี่ยเขาก็มักจะใช้แนวของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อาจารย์เป็นรูปองค์กรขึ้นมาประมาณหกองค์กรคือหนึ่นงฝ่ายปกครอง 2ฝ่ายศึกษาสามฝ่ายเผยแผ่สี่ฝ่ายสาธารณุปการคือวกกถสร้างทั้งหลายแล้วก็ห้าศึกษาสงเคราะห์สาธารณาสงเคราะห์ทีนี้ถ้าหากว่าทางวัดตั้งผู้ช่วยจาวาดประจำฝ่ายือห 6, 6รูปเนี่ยก็ตามความรู้ความสามารถของแต่ละท่าน ปฏิบัติงานในรูปของกรรมาการในขณ น, นเดียวกันก็ก่อนจะลงมือประพฤติปฏิบัติเรื่องอะไรก็ประชุมกันแล้วนําไปเสนอหลวงพ่อนั่นแหละให้หลวงพ่อกันกรองดูพิจนารณาดูท่านจะท้วงติงท่านจะว่าอะไรแต่ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เบื้องหลังแล้ว ท่านเหล่านี้ก็จะเคลื่อนไหวสัมผัสกับประชาชนไปเกี่ยวข้องกับเยาวชนรุ่นต่างๆเจ้าจวายศึกษาสมพรอเนี่ยก็จัดการอบรมการเข้าไข่พุทธบุตรพุทธธรรมวันเปิดหลวงพ่อก็มานั่งเป็นประธานกล่าวโอวาทวันปิดหลวงพ่อก็มาแจกพุทธบัติ แล้วก็กราบให้โอวัตส่วนงานที่ทำเนี่ยให้คนที่เขามีแรงมากก็ทำแต่ว่าไอ้กิจกรรมเหล่านี้มันเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจการมาเปิดเนี่ยเป็นสื่มงคลการมาแจกพุทิบัติการมาให้อวัตเป็นประชิมปฏิบัติเทศ เด็กแก็ปราบรื้อมาที่ได้รับจะหลวงปู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่ากันไปพ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงทรงวางแบบไว้แล้วคือท่องทําเองเนี่ยไม่นานหรอกบวชแบบเบหีพิฆูปะสมถาเนี่ยบวชบวชไม่กี่เดือนหรอกก็ยังคิดว่าไม่ถึงปีจากนั้นก็ทรงอนุญาตแบบ เรียกว่าติสนะกัมมนุปสัมฆทาแล้วพอตอนบวชพระราธะซึ่งราบางพวกก็ไม่ต้องการบวชให้บางพวกก็เฉยๆบางพวกก็ต้องการบวชให้ก็เห็นเป็นความขัดแย้งกันอ้าวก็ให้ทงลงมติกันก็นแล้วกันแล้วก็กลายเป็นวิธีบวชอย่างที่ใช้ในปฏิบัติหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้บวชเอง จือมอบให้สงเป็นใหญ่ไปเลยอันเป็นเป็นวิธีการทีนี้สมมติว่าเมื่อสมเป็นใหญ่แล้วมันเกิดราบส ก, การะขึ้นราบส ก, การะมันก็ไม่ติดอยู่ที่รูปใบรูปหนึ่งไม่ไปกองอยู่ที่รูปใบรูปเนี่ยมันก็กระจายออกไปแก่พระทั้งหลายที่เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเป็นการเฉลีย่ยประโยชน์สุข ให้แก่กันอะไรกันเรื่อหลักเหล่านี้เป็นหลักที่มีความสำคัญมากว่าการพยายามเป็นธรรมทานญาติโดยไม่ไปทุ่มเทกับพวกวัตถุมากเกินไปวนก่อนดูรายการก็เป็นพระนะฮะออกมาทิบบาย มีพื้นที่อยู่หกพันไร่ตองการจะสร้างอาคารเป็นที่ฟังธรรมอาคารหนึ่งจุห้าพันห้าพันคนห้าพันรูปนะฮะทั้งอยู่ได้ก็ตกลงว่าต้องการให้คนฟังทีถึงสองหมืนเราฟังแล้วเราก็ตกใจนะว่าวิธีคิดเนี่ยเรากตกใจมาก คืออย่าลืมว่าเราพื้นที่ไปทำวัดเทวทดเดียวเนี่ยตั้งหกพันไร่เนี่ยราษฎรที่ไม่มีที่อยู่ที่ทำที่กินไม่มีที่ทำกินนี่มันมีเยอะแต่เรามาจัดสรรแบ่งปันให้แก่ราษฎรเอาสักคนละยีะ่สิบไร่ก็ตามแต่อาชีพแล้วก็คนจำนวนมันก็มากขึ้น การเทศการสอนนั้นมันก้าวหน้าไปเยอะแล้วมันไปออกทางโทรทัศน์ออกทางวิทยุออกทางอินเทอร์เน็ตออกทางอะไรแล้วการเกณฑ์คนมาฟังในที่เดียวกันทีหนึ่งตั้งห้าตั้งสองหมื่นนี่นะค่าน้ํามันเท่าไหร่ค่าสึกหรอเครื่องยนต์เท่าไหร่ควันรถยนต์จะขึ้นไปในอากาศเท่าไหร่เวลาที่หายไประหว่างเดินทางนี่เท่าไหร่ ความแออัดวนท้องถนนจะเป็น ง, งูปัญหามันตามมาเยอะแยะนี่คือวิธีคิดแบบแคบๆแต่ในความรู้สึกของพวกเขาก็อาจจะว่าดีนะฮะแต่เราเลานึกดูว่าถ้าศาสนาคิดทำงานกันในลักษณะนี้ใน่สุดมันก็กลายเป็นจกกักรวรรดิหาเงินหาทองเยอะแล้วก็กลายเป็น อามิสถายญาติแต่ที่จะเป็นธรรมทานาติต้องฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากหม า, มาวมทยาลศรีวทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมโดยมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี